นะอย่างที่เราสวดในรัตนะสูตรเพราะนั้นอันนั้นเป็นคุณของอะไรคุณของภาษสังขารตนะด้วยนะอ่านี้เป็นสังขารตระนะเนี่ยนะเพราะนั้นอันนี้เรียกบอกว่าพอเขาฟังจบปั๊บรรมาจากสูนี่เกิดขึ้นแต่ภาษาสมัยใหม่มาใช้คำว่าเหลือคำว่าเห็นเกิดเห็นดับเลยพอเลยไม่รู้อะไรเกิดดับเพราะนั้นคำพูดที่พูดหนึ่งคำเปล่งออกมาก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยนะมันก็เลยคนละเรื่องกับคําสอนเพราะนั้นไอ้คำว่าเห็น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 แต่ว่าต้องอยู่ในความหมายเดียวกันถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ไม่ใช่เยนะเรารู้ว่าเขาบรรลุอะไรนี่ก็โ้เดบุญแล้วมาณนะ้าศึกษาธรรมะเนี่ยทำได้ไม่ได้ไม่ว่าขอให้มันเข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าอยากกระ บ, บอกอะไรเราอะไรนะกร บ, บอกว่าหน้าที่การบอกเป็นหน้าที่ของคำสอ น, อ น, นของพระรัตนตรายส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องของเราเหาือนนเราจะถ้าเราเห็นว่าดีจริงยังไงเราก็ต้องทาตาม ถ้าเราเห็นว่าไม่ดียังไงเราก็ไม่ทำถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไม่บอกว่าไม่ดีฆ่าให้ตายเราก็ไม่ทำถ้าเราเห็นว่าดีฆ่าให้ตายเราก็ไม่เลิกมันก็มีอยู่แค่นี้พอเห็นอารยสัตว์แล้วเป็นยังไงท่านบอกว่าในหน้า4ี่สิบหกกลางกลางหน้าว่า หลังจากที่ธรรมจักสุ ค, คืออริยมรรคท่านเกิดขึ้นเนี่ยนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสิ่งคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสมุทัยเป็นธรรมดานะสิ่งทุกทั้งมวลนั้นอ่ะถ้าแทงตลอดนีโรคแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ําย้อมด้วยดีฉะนั้นท่านทั้งสองนั้นเห็นอริยสัจธรรมเห็นธรรมตัวนั้นธรรมตัวนั้นแปลว่าอริยสัจ ท่านทั้งสองคือคันดะกับติดสะนั้นเห็นอริยสัจธรรมถึงอริยสัจธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างทราบอริยสัจธรรมข้ามความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์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 ท่านทั้งสองนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักนะะเข้าใจจริงๆเลยนะเข้าใจทะลุปร่งไปหมดเลยนะแต่เข้าแจ่มแจ้งของท่านนี่บรรลุนะเปรียบเหมือนหงายของที่คว่า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 หัวเทียนไฟเนี่ยมันดับนะหัวเทียนไฟนี่มันดับแล้วก็ไอระว่างแบบมันมืดถึงขนาดเราไม่รู้จะไปทางไหนได้เหมือนกันเนี่ยนะโอ้โห ม, มันมืดจริงๆความมืดเรียกว่ามืดแทบมืดจะประกอบไปด้วยองค์สีแล้วถ้าฝนตกด้วยนะพรำๆนิดๆแล้วก็ยุงกัดบ้างเนี่โอ้โหสุดๆเลยสมัยที่เคยไปหาปลาทําไมนะั่นอ่ะเป็นอะย่างไงล่นะนะ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 แต่แล้วท่านทั้งสองนั้นก็บอกว่าโอ้โหทำมเทศนาของพระองค์ให่แจ่มแจ้งมาเห็นอริยศาสตร์แล้วน่าจะดีใจกับท่านนะพอมาพูดตามท่านยังจะดีใจตามท่านเลยนะดีใจด้วยกับท่านที่ได้บรรลุเมื่อไร่คิวเราบ้างกันนะข้ า, าท่านก็บอกว่าข้าขอพวกข้าพระองค์เพ่งได้บรรพชาเพ่งได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเห็นอริยศาสตร์ปั๊บเนี่ยนะเมืองพันทุมาดีราชธานีทิ้งได้ทันทีเหมือนก้อนน้ำลาย ขอบวชเลยไม่สนใจแล้วเนี่ยมีหน้าละพี่ชายของเราจึงออกบวชคือท่านคันดาเนี่ยพี่ชายของท่านเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านเข้าใจเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงทิ้ ง, งทั้งหมดแล้วก็ไปท่านก็เลยขอบวช ด, ด้วยพระเจ้าข่าเนี่ยนะของเราเนี่ยนะก็ถ้าอะไรนะถ้าจะเห็นอริยศาสตร์กับคนเขาบอกว่าให้ไปรับของขวัญรับเพชรเนี่ยนะในเนื่องในวันปีใหม่ไปเอาอะไรดีนะหลายคนพูดเนี่ยเขามาเนะ่จ้างให้ตายก็ไม่เชื่อ <laughs>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 มั่วไปหมดเอาถวายผ้าให้กับโจรเอาบวชปล้นศาสนาไม่ใช่นะนั้นไม่ทราบว่าจะได้เอกพิกคุหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้นะมาคิดให้ดีก็แล้วกันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีเนี่ยนะหลังจากที่ท่านเหล่านั้นได้บวชแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ยังท่านทั้งสองให้เห็นแจ้งหมายความว่ายังสอนต่อไปอีกให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้ร่าเริงด้วยทำมีกระถา ก็ยังสอนอริยสัจเลยนะเที่ยวตามสอนเธออยาคิดอย่างนี้จงคิดอย่างนี้เธอจงละสิ่งนี้เธอจงเข้าถึงสิ่งนี้เป็นต้นพระองค์ก็ประกาศถึงโทษของสังขารสังขาร น, นี่มันมีโทษอย่างไรโทษของสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเกลือนกลั่วด้วยชาติชราและมรณะเป็นสาเหตุที่ตั้งแห่งโศกปริเทวทุกโทมนัส และอุปายาตสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะเละทิฏฐิเขาเรียกว่าเศร้ามองเขาเรียกว่าเศร้ามองสังคีเลตตัวนั้นะเนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายมันเจือด้วยราคาสังขารทั้งหลายเจือด้วยโทสะสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่เจือด้วยโมหะเจือด้วยทุจริตกรรมทั้งหลายถ้าคนทําทุจริตรมที่ไหนก็ทําในสังขารทั้งหลายเพราะสังขารทั้งหลายนั่นแหละเป็นเหตุให้ทําทุจริตกรรม เสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศโทษของสังขารอันต่ําช้าเศร้าหมองก็คือประกาศอะไรแต่อย่างที่เราคุ้นเคยก็คือประกาศว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นอางผู้อื่นไม่้นและประกาศอา น, นิสงส์ในการออกบวชตัวนั้นเขาเข้าแปลไม่ถูกไอ้ที่ถูกมันต้องแบบประกาศอา น, นิสงส์แห่งพระนิพพานประกาศอานิสงส์แห่งพระนิพานที่ออกจากสังขารอันเศร้าหมองพระอนนะ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 แยกระหว่างสังคตะกับอสังคตะแยกระหว่างพยะกับเขมะแยกเราให้เห็นสิ่งที่มีภัยกับสิ่งที่ปลอดภัยเนี่ยนะให้เห็นว่าสิ่งเรานีความแตกต่างกันระหว่างวัตตะกับวิวั ต, ตะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในวัตตะแล้วเลวร้ายขนาดไหนถ้าออกจากวัตตะดีอย่างไรเหมือนอย่างว่าถ้าถ้าเป็นนักโทษคุ้มขังเนี่ยนะปล่อยให้เราไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายเนี่ยโอ้มันเลวร้ายขนาดไหน ที่ไม่มีใครอยู่ด้วยเป็นต้นแล้วปล่อยให้ไปทุกขกรรมลำบากปีนเขาลงหิวนะว่ายน้ําข้ามทะเลเป็นต้นวันทุกข์ร้อนขนาดไหนเทาพ้นจากสิ่งเหล่านี้ดีอย่างไรพระองค์ก็แสดงทำไปท่านเหล่านั้นจิตของท่านทั้งสองนั้นอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้รื่นเริงด้วยธรรมีกระถาไม่นานนะักจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่น นะคิดให้ดีนะเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่ยึดมั่นเนี่ยแปลว่าบอกปล่อยวางแบบไม่ใช่ปล่อยปลาละเลยคําว่ายึดมัน่นเนี่ยนะยึดอะไรยึดด้วยอุปาทานยึดด้วยการมุปาทานยึดด้วยทิฏฐุปาทานศีลพัตุปาทานและอตตวาทุปาทานหลุดพ้นจากกามุปาทานด้วยอนาคามีมัตหลุดพ้นด้วยทิฏฐุปาทานศีลพัตุปาทานเนี่ยนะ ขออภัยหลุดพ th at ้นจากกามุปาทานด้วยอรหัตตะมักหลุดพ้นจากทิฏฐุปาทานศีละพัตโตปาทานและอัตวาทุปาทานด้วยอรหัตตะมักขออภัยโสดาปฏิมักหลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามิมักหลุดพ้นจากพวาสวะด้วยอรหัตตะมักหลุดพ้นจากทิฏฐาสวะด้วยโสดาปฏิมักหลุดพ้นจากอวิชชาสวะด้วยอรหัตตะมักมันพอฟังทำประกาศวัตตวิวัตต์เนี่ยนะละ แทงตลอดอริยศาสตร์ได้เลยนะจิตของท่านก็เป็นจิตหลุดพ้นอากอาสวะก็แปลว่าเข้าถึงอรหัตตผลลจิตเนี่ยนะสังขาระ ส, สังขา ร, ก, ขารกตังจิตตังตัญหาหนังขยมมัจฉาจิตก็ถึงซึ่งความสิ้นตัญหาก็คืออรหัตตผลลจิตที่เราสวดในมงคลอ่ะนะอสกังอ่ะนะจิตของผู้ใดอันโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกปราศจากทุรีเป็นจิตกเกษม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 นะพอได้ข่าวว่าเข้าบรรลุก็นึกถึงเราเมื่อไรสักทีนะไนี่เอ้หน้ามุทิตากับตัวเองอู้ได้รู้ว่าเขามีคนบรรลุนี่ก็ดีแล้วเนี่ยนะศรัทนธะนะาที่เรามีต่อท่านเหล่านี้นี่แหละศรัทธาตัวนี้แหละจะทําให้เราบรรลุต่อไปในอนาคตเนี่ยนะนะความพองไสแห่งใจเหล่านี้แหละจะเป็นปันใจจัยให้เราได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะผนะขอบุญกุศลที่เกิดจากความเลื่อมใสต่อท่านเหล่านั้นก็จงเป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์นะนะ ก็เลยก็เรว่าขอข้าพเจ้าพึงเป็นเช่นนั้นบ้างนะแต่กขาบอกโอ้ดีนะบรรลุนี่ดีเอ๊ะแต่ไม่เหมือนฉันปฏิบัติเลยทีนี้ก็ทางใครก็ทางใครแล้วกันบรรลุของใครก็ไม่ทราบมันเราก็พยายามศึกษาคนที่บอกว่าแอบปารถนาเรือกเกินบรรลุมรรคผลเนี่ยนะพยายามทําความเข้าใจให้ดีเถือว่าเขาบรรลุอะไรกันต้องพยายามศึกษาทําความเข้าใจให้ดีนะเพราะบรรลุถูกบรรลุผิดรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตอนมาเราก็มาคนเดียวไม่ยอมมาแฝดเด็ดขาดใช่ไหหลายคนเขากลัวมากเลยต้องเกิดมาเป็นแฝดใช่ไหมมันสรุปว่ามาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวเอาไหมตายหมู่ตายคู่ตายอะไรเป็นต้นเนี่ยตีละสองหมื่นเอาไหมก็ไม่เอาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็มาคนเดียวตอนเกิดก็เกิดคนเดียวตอนไปก็ไปคนเดียวก็มีกรรมเป็นของของตอนเป็นต้นมัน